สเปซลีท่านอาจารย์เจ้าวาดเนอนุอย mm hmm. กาบนมัสการที่ให้ที่อยู่อาสัยและตอนรับนักปฏิบัติธรรมเขาอย่างดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งขนุอยจับใจหลายที่ในวัดนี้เพราะว่าท่า <c oughs> นอาจารย์พนเป็นภูอ่าเอาก่นายวัดวาพนี ด, ดีและสะอาดหลายขน้่ยไปหลายมองหลายทีก็จัดลิบิดนี่ก็หลายครั้งแต่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 ความรู้ที่อาตมาที่จะพูดออกไปหรือคําถามคําตอบที่จะออกไปมันก็เป็นความรู้ของอาตมาและโยมก็ยังจะไม่ยังมีความสงสัยอยู่ดีถ้าโยมอยากรู้และอยากหายสงสัยอาตมา ก, การันตีได้ว่าโยมจะดับทุกได้ถ้าโยมทําจริงก็ลองทําดูถ้าพูดไปมันก็มันก็ยังเป็นความรู้ของอาตมาอยู่ถ้าอยากรู้แน่นอนว่าสติสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงปฏิบัติเอาเอง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 มันเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนนะี่นะน้องจะเน้นเรื่องการปฏิบัติอีกเพราะว่าเมื่อก่อนน้องทำเนี่อยากทำก็ทำอยากนอนก็ไปนอนคุณพี่ตรงนี้นี่แหละเพราะว่าเริ่มต้นเราจะเรียนหนังสือนะี่นะน้องจะเปรียบเทียบเรียนหนังสือเรามาทำที่โรงเรียนทัองวัดและครูจะให้ฮอมเวิร์กเราทุกอย่างใช่ไหมการบ้านการอะไรกลับบ้านเราต้องทาน้องทาจริงๆหลวงพ่อพาทาที่วัด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 เคลื่อนไหวเขาจะต่อเนื่องได้นานที่สุดแล้วเราจะได้เห็นอารมณ์นี้ดีที่สุดอารมณ์ของเราเนี่นะถ้าสมมติว่าอารมณ์ตัวนี้ถ้าเราผ่านไปแล้วอารมณ์ของแต่ใส้ขูมต่อเนื่องนี่ให้ให้มากที่จะเพ่งเผาไ อ, ไอไอตัวกิเลส ข, ของเรานี่นะที่จะเกิดไปเป็นสติปัฏฐานที่หลวงพ่อพูดเนี่ยน้องมาเข้าใจตรงนี้เลยที่หลวงพ่อว่าอ่าถ้าสติของเราตัวนี้ทั้งไม่เปลี่ยน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 คิดว่าเกือบจะเป็นฮันเซ์แล้วเรื่องสุขภาพนะน้องไม่ได้ทันหยุดทานยาเลยนี่แก้ไขตัวเองมาเขาเพราะความรู้สึกตัวตัวนี้แหละที่พัฒนาจากคนที่คนขี้โลคขี้โกรธขี้หลงมันก็ลดลดลดลงมาเราวัดแทกเราได้ว่ามีอะไรเยอะแค่ไหนนี่แหละน้องจังบอกว่าตัวเองมันแก้ไขตัวเองได้แล้วก็กล้าการันตีได้ว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้จริงๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาอย่างนี้ไม่ได้หรอก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 ขวมเลยข่วมแก้วตรงนี้มันมีน้ําคอฟี่ไม่เอาลอะอะหงายขึ้นมาให้ท่านเอาน้ําเปล่าๆให้ดื่มเลยได้น้องลองมาทุกอย่างแต่ตัวนี้นี่โอมหัตย์สัจจ์จริงๆน้องบอกว่าตายเกิดใหม่แล้วหายสงสัยในพุทธศาสนาแล้วชีวิตนี้ก็คิดว่ามอบให้พุทธศาสนาไปหมดแล้วทั้งตัวละขนาดโจมกระเพาะอยู่างนี้หลวงพ่อว่าเดินสายแล้วนะไป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 เพราะว่าออกมาท่านที่มันจะตายมันไม่ตายนะคุณพี่มาทํางานอย่างนี้จิตใจเข้มแข็งเนี่ยใจนี้ป่วยโรคพยาิเราหลายหลายอย่างนะดีขึ้นมาเองทุกอย่างดีขึ้นมาเองเมื่อก่อนสียาสี่สัโมงหกสัปโมงในสี่ตลอดเพราะว่าปอดมันทํางานไม่ได้พูดไม่ได้หล่อน้องไม่มีเสียงเลยเมื่อก่อนตอนนี้สบายเพราะหลวงพ่อแนะนําว่าคนเรานะจะลดอะไรก็ลดได้ให้ดื่มน้าประสวะัสดิ์